พุ่งนี้ออกแต่เช้าด้วยรโมองออกเร็วก็กลับเร็วทำไงได้ทั้งวันทั้งคื น, นลังฟังังผ่อนหมดละ มาถึงขนาดนี้เขาก็ยังพระไม่ดีวเนาะอืมนีน่จะเสืยเหรออืมไม่มีมสโอสารา่า กอไก่มีแล้วอนเดือดร้อนเพราะกอไก่อนะไรตอนนี้แค่ได้ยินได้ยินชื่อกอไก่พระแตกกันหมดแล้วตอนนะี้น่าจะออกเรียนทั้งรุ่นเรียนกอไก่นะ ของดีๆไม่เผยเผยไม่บอกไม่กล่าวอันไม่รู้พระเมืองไทยในภาษาประมาณ3สนแสนรูปวัดที่เป็นวัตถุต้องทางกฎหมายประมาณสามหมื่นวัดอันประมาณสีอที่พักสองสาสองไม่นับตสมัยก่อนมีคนพูดเล่นกัน ในกะพุดเร่งนี้เจอนะอย่าไปคิดมากเขาบอกมีผู้หญิงนี้แหละเดือดร้อนมาหาพระมาระบายให้พระก็ประมาณ ม, มาบ่นเลยพระฟังประมาณว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายดีๆอาวผู้ชายดีๆไม่มนี่เลย พระอางาก็ดียความหวังดีนะเนาะจเย็นโยมผู้ชายที่ดีไม่มีแล้บอพระคำบอกนี้ผู้ชายที่ดีอย่างนี้อยู่เราไปไหนกันหมดบอกผู้ชายที่ดีคนหนีไปบวชกันหมดแล้วเนาะ เข้าทางกอไก่อะไรจะไปโทษเขาไม่ได้บูเาเล่นกันแต่กลายเป็นจริงขึ้นมาหนห่อยมอืมโอ้จะมาจะขอแจกทองผ้าป่านมาแจกทองผ้าป่าไปแล้ว อจบไปแล้วจะมีข่าว่าิงขา่าวใหญ่ก็ได้อีกไม่รู้ใหญ่กันอไนดไหนึ่งก็กำลังคุยกันอยู่เขาออกมาถึงตำรวจคุยกันว่าจะจบยังไงเนอเป็นรักผู้ใหญ่ มันก็มันไม่ไม่ถึงเชิญกับผู้หญิงแต่ว่ามันเกแ่ยกัเงินทองทองอ่ะมันประมาณว่าใช้ปิดประเภทมไม่ใช่สามัญะสารูปเนนีน้แต่ก็ไม่ถึงกับแต่ถ้าเป็นชาวบ้านกับธรรมาดาวกาเป็นพระแต่ถ้าพูดเรื่องกฎหมายมันก็ไม่ได้ปิดเอากฎหมายมาจับมันก็ไม่ได้ผิดแต่เป็นสาณัญะสารูปไม่ควร เดี๋ยวเขารอฟังข่าวแล้วกันอมาดูครูบาอาจารย์แล้วมั่งนารืสารแต่ละองค์อืมโดยเฉพอมบุรบาาจารย์วัดเราแต่และองค์อย่างหลวงปู่ตืออ้นีเทศนจะเทศธรรมาเทศทค้นวัดเราเนี่ยโบสไปกำลังสร้างไม่เสร็จหลวงปู่เทศให้ตั้งขึ้น สมัยก่อนลุงปู่ปูหลวงลุงปู่แว่นื่อปู่สิมเราก็นั่งฟังสบายถ้าวันสำคัญวันศิลวันใหญ่คนนี้จะชื่อกันฟั ง, งเร็วทั้งคืนสองสามองค์สององ ค, งคงอ์ลงปูง่หนูเปลี่ยนกันลุงปู่บุญจันทร์ทำบ่าวพึ่งเท่เท่ธรรมดาเท่จน ไมนี่ไม่ต้องใช้กตามาเรียกว่ตนนกาตะโกนอ่ะเบี้ยมาพูดพูโทรไม่ไ้โทนึ่ตื่นกันหมดอาสว่งหนะผมมองๆ น, น, นี่สับปรดไปหน่พูโทไม่าโทน่ตื่นกันหมดาสว่างแตเราก็า น, า น, น, นั่งกลังนั่งถึงกนเป็นแนมน้อยพอูทโทไม่ไ้โทเลยตื่น องสบายก่อนเทศจนสว่างอืมที่องคที่เป็นนักแสดงนักเททโซลปูแอนท่านไม่ได้เทศไปเรย่อยๆก็นะรอกไมใช้ okay. พูดเอาผูอาจารย์ตั้งแต่เขาเรียกว่าบุราุษอาจารย์พวกเราเช่นลปูเสา ผู้สอนท่นก็ไม่ไดท่านเรียนเนี่ยท่านไม่สอนนักธรรมใครบอกว่าอาจารย์ไม่เรียนหนังสือไม่อ่านตำาราลุปู่เมาสไม่เออดูบอลนะมาเรียนบาลีแต่ไม่สอนบทั้งรู้ท่านเข้าใจร่างกายภาษาบาลีท่านเข้าใจแต่ท่านไม่สอนแล้วก็ส่สงศิลนลูกหามา เพื่อมาเรียนเพื่อมาเรียนรุ่นใหญ่ทั้งหลายแหล่หลวงปู่สิมเราก็อยู่ดบรมวประทุมทำไมต้องอยู่เพราะว่าหลวงปู่มั่นพระองค์เทพท่านจะอยู่วัดพรลวัดป็ทุมเป็นหลัก จะคุณอบาลีซึ่งเป็นวิลุษจิตก็รูร้พวกมาคนให้เรียนออน่ะสิพูอ่อนพระอยヤควีมันล้วนเะนเรียนเรียนดังนั้นแต้วู่เส า, าเราปู่เส า, าเราเป็นคนที่ปฏิปทาบ้านไ่ใช้ภาษาอเง่ฤ ไปที่ท่านมราภาพที่จำปัสสักเอเวเทศลาวที่อุโบสถกาลังจะกลับจะกลับเมืองไทยะแ ว, วะกาบพระกาลังจะกาบลงมาถึงสามครั้งท่านกับไปในท่าท่ากาบมราภาพท่ากาบแล้วก็มาทำาฏิธีบ้านเรา ความฝังมาบานร้องอยู่จำปาสักอยู่เมืองไทย่อนที่จะอยู่มืองไทยก็อยู่ดอนท่าพี่บุญ ม, มังซานพี่พ่อเคยไปเคยอยู่เคยไปอยู่เป็นเกาะกาน้ำต้องนั่งเรือเข้าไปสมัยก่อนนั่เนียเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อนนั่งเนียเงียเป็นอย่างนี้ ไปมา20กว่าปีมาแล้ว20กว่าปีมาแล้วเคยมาเงียบไลยคุนมีไฟแสังก่อนเหมาะสําหรับภาวนาแล้วไปเจอนักปู่แว่นปู่ไปไปถามไปไงม า, มาจากไหนสันติธรรมเหมา ม, หมาเล่นมาหัวมาภาวนา20กว่าปีแล้วตัง้งแต่บว พระใหม่ๆต้องต้องพราะประยู่แต่อุบุนแถวรอยต่อประเทศลาวอันนี้ไม่มีในประวัตินะนนรเรรวมทีคนในเดือนเรียบเรียงเลยไม่มีในประวัติอดอกระจะแล้วไม่มีเราพี่ไปยดจะเรียบเรียงทําประวัติใหม่บา อวันนี้คือปฏิปทากว่าอาจารย์ท่านไม่ได้เทิทเดุนแต่เร็จมันไม่ได้ดูเดือดแต่หลวงปู่เหวนเราก็ไม่ใช่กุศลหนักเทิดแทบแทบไม่ได้เทิแต่หลวงปู่สื่อเราเนาะปฏิปทาทของท่านลดผนครับ ชักเทปว้าวฝนตกเอาไงนี่มไม่รู้พวกเราได้ฟังเทปเก่าๆของหลวงปู่หรือเปล่าเทปเก่าๆ เ, เป็นการเทปของปู่จำเมื่อก่อนมันเทปค่าเสร็จ ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องจาโรบูตส์อย่างของอุูตรณ์งยินเรามันเป็นเทษษ่คา้เส็จไม่รู้ไปไหนจะไดยมันคงจะยานหมดแล้วแนะย่ะเจออากาศอย่างนี้ไปกนะันแหละรวมกับเก่าอย่างระบูตส์แค่แท่ที่อ า, า, าโชกะลาม ก็มีประมหาประเิญญาประมาณว่าเชิญให้คำแนะนำจังตันเิหลวงปูประมาณว่าก็หลวปู่ก็เทศจากของเก่าๆเนอะเทศของใหม่ๆทนสบัยบ้างหลองปูบว่าอ๋อในวันท่านมาหาขึ้นมาขึ้นมาโอ้รำมหาดีใจเทศหลงปูฟังขึ้น ขึ้นลำบากสุดต่างนะโมแต่สาพรเพอพอพอะพอพรพคนไหนก็บอกว่าจะเทิดเรื่องใหม่ๆก่อแทศมาเป็นพันปีแล้วนักบวชก็กใช้พันปีแล้วมันไปนแค่ของไม้กันมาหางงทางน้บทงนำโบยกันไม่เสร็จนี่ปฏิภาณโมกุลบางอย่าง ฟังเสร็จแล้วก็วไปเรียบเรียงไปเอาตัวเองมาตัดสินแทนที่จะได้ฟังได้อัดได้ทำด้วยความเข้าใจกลายเป็นว่าฟังไม่ได้ฟังเอาของของดีฟังเอาของเสื อ, อฟังเพื่อทำเด็กฟังพูพง่ายฟังเพ้จะผิดลุกมือนเลิกไปอย่างนั้นไป พนันในยุคปัจจุบันก็นเช่นเดียวกันถ้าเอาได้ยินอะไรบาง้วโอ้นันอีโก้่น้องเข้ามาปัญหาด้วยแท้จริงมไม่เหยวก็เงินทองทองปัญหาคือพระไม่เอาธรรมยู่ในเป็นหลักนี่ไ่คือถดมันก็อยู่สองต่อสองกับพวกอย่มันก็ไม่ได้เห่อด้วยนะั้น จะไปโอดเงินโทษอะไรไม่ได้คือเผยของพระมันเป็นเป็นอาบัติกันแล้วนที่รับตาที่รับหูมันเป็นเรื่องของอาบัติดังเรื่องวินันที่ไหนของพระนี่ญาติโยมอย่างรู้น้อยก็ควมส่งเสริมให้กันในการเรียนรู้โดยเฉพาะจนอาบาัติเล็ก น, น, นี่น้อย ที่เป็นอาบัติทางว่าอาบัติก็คือศึกษาบทมีสองสองอย่างคือก็ระ้บอกพุท ธ, ธบัญญัติหรือสิ่งผู้เจ้าบัญญัติขึ้นผู้เจ้าบัญญัติเกิดจา ก, กรำผิดกองแล้วพวกผู้เจ้าห้ามต่อไปห้ามทําอย่างนี้อีกอันนี้เป็นตนแล้วก็ห้ามเช่นพระเปลืกกาย มันเป็นที่ม า, าออของอาาอออผ้าน้ําฝนพอนางวิชาขาไปหาพระบอะไม่มีพระแล้วฝนบอกปุริยาไม่มีไม่ได้ชีพเลยบอผมไม่มีผ้าเปลี่ยนเพราะถ้าท่านรุ่งผ้าเสร็จแล้วมันก็จะเปียกไม่มีผ้าเปลี่ยนก็ต้องเลยต้องเวลาส่ ง, สงน้าแล้วที่เป็นแนนม่น้ําอ่ะคิดว่าตร ง, งนี้เยอะ ก็ลงไปอย่างนั้นแหละก่ยว่ากกายไปชีวเวยไปผมไปฟ้องก็ไปเชิองฟ้องบอกพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าโอ้ไม่ได้เลยห้ามเปลือยกายเจเวนลงนํำร้อนือส่งงานที่รับว่นนี้เป็นต้นเลยพุทธมัญญะละอธิษมานปุคุกยาบาลยาติรู้เกียนหนัง ูจับัญญาติเอาไว้หมดในเรื่องมาตุคามมาตุคามคือผูอ้หญิงนี้แนะละกจะอยูอยังไงก็มีคนถามว่าจะอยูอยังไงผู้จักก็ตอบหมดเช่น mm hmm. การพูดคุยไม่ควรจะพูดคุยกันเลยเธอร แต่ถ้าจําเป็นต้องคุยจะต้องทํำยังไงเราบอกคุยด้วยความมีสตินะสติไม่ไดยู่สติเราคือวินยัน ย, นยคุณจะคุยด้วยความมีสติตั้งสติก่อนไปคุยแต่ทุกวันมันอันตรายตรงที่ว่าเสือทั้งหลายแหล่ที่ประเดยประดังเขงมรลุนลตามม า, าบัวเราก็ เคยพูดเอาไว้เมื่อพอสะวันศิลป์ก่อนนานแล้วพ่อนพันบอกว่าเนื่องจากมีคนเวลาท่านวัาพูดมีคนใช้โทรศัพท์อัดโทรศัพท์ไว้ท่านบอกว่าต่อไป สิ่งที่จะทำลายพระก็คือโทรศัพท์โทรศัพท์ตอนมั้มันชัดเจนเมื่อก่อนมีแต่เสียงอย่างเดียวนี่ทำไมก่อนมันไม่มีโทรศัพท์ตอนองเริ่มมีแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนตอนนี้เป็นอย่างว่าจนสุดท้ายทุกวันก็ยังหลวงปูว่วาง มันทำลายทำลาระนักสนักเยอะต่อเยอะโดยเะบอกใช้เป็นประโยชน์ทุกวันนี้นเริ่มเป็นเป็นตรงหรือว่าไปอยู่ที่ไหนแม้แต่วัดป่าเองถ้าวัดไหนไม่มีสัญญาณผมวันนี้ไม่สบายะไม่มีสัญญาณ ไม่สัปะยะ่าไม่รู้ว่าสัปะยะาสี่มันอยู่ในข้อไหนก็ไม่รู้เหมือนกันก็เด้ไม่สัปะย่าแล้ป็นก็คืออยู่ไม่ได้เออเป็นอย่างนั้นไปมันเริ่มเป็นแล้วนเพราะอะไรเพราะเราเราไม่เชื่อพ่อเราอ่ะพ่อเราคือพระเจ้า ผู้ปุโรหิตหรืออาจารย์ได้พูดเด้ข่าวได้เคิดไป้ฝากฟังไปสมัยก่อนมันไม่มีของผู้นี้มันต้งมีประยยชต์พวกพวกเราเนี่ยแหละสมัยก่อนไม่มีนานกระเด็ไม่ค่อยมีปัญหาทีานี้สิ่งที่ปุญชาพูดเรียบง่ายเราก็ไม่เอา เช่นผู้ที่จะสอนพระกระบวดขึ้นมาเนะี่ยถ้าก็จะถามว่าเรามีทางเลือกอะไรสองทางคือเรียนแล้วก็ปฏิบัติคือสถมถะกับวินนบปัสสนาเนาะพยดงไงอั น, นั้นคือปริยัติคือศรึรษะ ก็ทำไมจะแตกชานเพื่อไปปุยแผ่ศาสนธรรมที่ถูกต้องอันี้สองคือไม่ต้องเรียนอะไรมากมาวิภิษนาถ้าจะให้กุศโลโบายแต่และแต่และองค์ก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าจริตนิสัยไม่เหมือนกันก็จะให้คำบาบริกรรรไปภาวนาไม่กี่คำไม่กี่ประโยค แต่รดยทั่วไปก็คือลมหายใจก็ออกก็คือลมหายใจสติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมอะไรบางก็เกี่ยวเนื่องกันหมดถ้าเอธิบายหมายว่าเอามาใช้โดยเฉพาะเกิพดพุทธชงจอแต่ว่าองค์ในการตับสุ้ เอื้อจข้อมันก็เกี่ยวเรื่องเชื่อมโยงกันหมดเหลืออย่เดียวไในภาคปฏิบัตินั่นเองก็คือธรรมะนะครับปฏิบัติทําอย่างไรให้มันต่อนเนื่องไม่ต้องมันเรื่องมากความสมัยก่อนก็บาอาจารย์สอนโดยการปฏิบัติและผลง่ายๆก็สอนให้จําทําให้ดู ก็คือวธีบราณสอนให้จำก็คือมาเาว่าคขวัดปฏิบัติปฏิปทาท่านก็ถอดมาจากพระไตรปิกมาเลถ้าท่านไม่เรียนจะอะไรมาสอนไม่สอนให้จำสอนให้จำาก็สอนทำให้ดูยังวินัยวินัยบางอย่างเข้าใจตั้งแต่เป็นแนนน้อยเพราะ เปช่นไปไปลามาไว้ไปเกินสามวันกลับมาทั้งขอที่ใสจะเข้าใจไม่ต้องเรียนนัตีตัวเองนี่เป็นปริยัติในภาพปฏิบัติเาเรียกปริยัติในภาคปฏิบัติวินในบางเรื่องบางอย่างที่มันละเอียดคื อ, อไม่สอนใกนกระทำรังท่างกลับมาสอน ก็ว่าครูบาอาจารย์ต่อต่อไปมองเรองข้าวปลาอาหารการอยู่การกินเกลื อ, อยกลือที่เป็นใช้เป็นอาหารแต่ไม่ใช้ไมยากการไม่ได้กินกระปุกเดียวกันตอนเช้าปรุงอาหารตอนบ่ายมันเป็นปรมัณอย่อางนี้ก็ไม่ได้ท่านละเอียดนะที่ไหนท่านละเอียดมากน้ำก็เช่นเดียวกันใช้ปนกันกันกบ ชาว บ, บ้านไมได้น้ําจะฉันคือั้องทำมะกอกท่านจะวางไว้ข้างหลยมันเป็นหม้อน้ําถ้าจะเอาทำมะกอกวางข้างๆเลยพ่าจะมีลูกยุงกูกแหลกไข่ท่านก็จะเอาวางข้างๆเวลากินก็กรองเวลาจะฉันเสร็ก็ต้องนั่งอยืนสัตว์ก็แล้วก็ฝึก อย่างนี้มาคโบวชน่ะบวชดีใ น, นบางอย่างไม่เหยียดอ่อนขียามละยา ด, า, า, าดึงเสนาสนะดืด่นองเอาไฟวัดปากดึงเก็ยรตวัดขาวัดวัดบวชแหวนน่ะตีสองแข่งกันจัดที่อยู่ที่ฉันแล้วใครไปสายก็ไปตีสามก็ไม่ทันละไม่ทันก็คือไม่ทันต้องปูนหู ปุโหนเอาก่อนแหละแล้วปุโหนยังเอาถือว่ากีรวาดคอครับคือสมัยก่อนอันเป็นอย่างนั้นแต่สมัยนี้ไปเขาละเรื่องแล้วนี่นยคือในกีรวาดคอวัดวั ด, ว ด, วดสมัยวัดเรานี่ยที่สามเนี่ยแ ม, แ, ม แ, มแม่งแมงแม่งละทั้ง ล, ลงปู่ลงป้าก็จะเป็นงน แต่สมัยหลวงปู่หลวงปู่ท้องอีกอื่นปฏิระฆังเสร็จถ้าก็จะเดินไปไปปลุกเดินลอบวัดพุจะเทวเขาเขตยนเล่าวัดก็จะเดินไปปลุกปุ้ดไฟขึ้นน้าวัดที่สามอันนี้สมัยหลวงปู่รู้ป่ะทำไมเราเจอคปั่นมาเยอะปฏิอาหามยังไม่ตื่นคำพูดจะพูดอย่างมันต่างกันมาะพระครูอาจารย์เขาเชี่ยวขิน อันนี้คนรุ่นต่อไปหลังจากนี้ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันป็แยานยานหาข้ออ้างไปเรื่อยเมื่อก่อนจะกินข้าวสองมือต้องมีข้ออ้างซึ่งวันไหนทำงานให้กระจานอนุญาตบ้างเน้นน้อยมันก็จะถึออ น, นุญาตหรือตอนเจนก็จะันของดีหน่อยน้ำอ้อยเนยเธอเป็นกรณีพิเศษ มันไม่มีมันก็มีกนอย่างเงีโกโก้รังชากาแฟมีแต่น้าออยน้ำออยน้าตาลกนกันน้าชาต้มกายใหญ่ๆกินกัน้ำออยนั่นะกินกันน้าชาเต็มที่พราแพงสมัยนี้โอ้ภาษาละพัฒนมันสะดวกสบายจน จนลืมลืมองเก่านั้นอยากให้พวกเราทุกฝ่ายเอาจะเป็นเรื่องอยู่เรื่องกินมากันที่สมคัญคือิดวัตรขวัตเมือ่อก่อนถาวันพระเนี่ยต้องร่วมกันเช้าเย็นมาทำวัดกับญาติโยมม่อกนะ่นไม่ก่อนทำวัดในโบสถ์ ศาลาหลังนึงเป็นศาลากิพากยมธรรมวัดในโบสถ์ธวัดในโบสชั้นในโบสถ์ทุกคนที่สั่งว่ากที่ฉันในโบสพออยู่กันไม่เยอะอันนี้คือภาพเก่าๆภาพสมัยหลวงปู่สมัยหลวงพ่อจิตวัดขอวัดตื่นแต่เช้าเตียงตัวออกวินาบาล ก็อาหารก็ไม่ได้ลดไม่ได้เหลือขนาดนี้ไปบินธาบาัตทุกสายสายน้งเข้าไปถึงหมู่บ้านไปนึงไปถึงห้่นแก้วนู่นบินาบคือสายไกลๆกัดสมเพลการดหลวง น, น, นึงไปนู่นเลยกวงสิงไปนู่นส ก, ก่อนไม่มีรถเดินสบางไม่มีรถมีรงไปไกลขนาดนั้นก็แต่แค่แค่อึม ไม่แค่อื่นมันไม่ได้เหลือเปลือก้างใมขนาดนี้ว้าวันมาจนเหลือเปลือโลูกโงลูกครัวไม่มีก่อนมีแต่อาหารพิธบารแค่นั้นแต่แต่ตนนก็อยู่กันได้อยู่หลอดมาได้ลุนกับเขาก็คี่เป็นแต่เราก็ไม่ทันอย่าลงปูอ่างสุก หลวงปู่เจริญอยู่ด้วยกันหลวงปู่คาบอรุ่นบุกเบิดรุนสร้างโบสถ์เทโบสถ์หลวงปู่ทั้งสุขรสบริสุ์ก็เก้าสเ็ดหละตอนนี้กเก้าสิบเอหลวงปู่ทั้งยืนอยู่เก้าสิบเจ็ดถ้าอยู่ก็จะแก่กว่เพื่อนแก่กว่หลวงปู่สังแก่หลวงปู่เจริญพุทงองคน ถ้าเรากว่าอาจารย์เก่าๆเาดินไปมาหาสูกันมันเห็นกันอะคือมันรู้กันมันไม่ได้คว่งไม่ได้ขวางงานคาสอนทือกว่าอาจารย์ชาวสายบลายคาพระปู่เคเช่นเดียวกันธรรมะเสร็จก็บรรโภจะทื่อนั่งสมาธิต่อาชาวเคยเช่นเดียวกัน หลงบู่ทอื่นก็ทำรับภาระต่อพอมาถึงยุคพวกเราการเรียนมากขึ้นมันก็ย้อนยารกันไปก็เอาการศึกษาเอาปริญญาตมาอ้างก็จะามาพูดปริญญาตจริงๆก็เป็นงั้นแลก็ใกรเขอใครยังไม่หมดเพราะนั้นธรรมะในภาคปฏิบัตินะี่เป็นเรื่องทือ หาฟังยากมากยิ่งต่ อ, ตอไปยิ่งจะยากมากต่อไปจะเป็นเอาไปเรื่องธรรมะจริงๆไสิบเอร์เซ็นตเจ็บแปดสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นความเห็นไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมะอีคทจริงผู้เกิดจะพภาปฏิบัติเพราะฉะนั้นพวกเราถือว่าอย่างโชคดีอย่างมีกุาบายน ในยุคนี้รอยต่อๆกันมาเช่นรุสิทธิลบูฟันเป็นอุบุจวนรุสเสธิปวันยังมีอยู่อย่างสายท่านมาอย่างหลวงพ่อทองแดงเราก็อยู่ผู้ประชา์เขาอาจารย์มาเยอะ <c oughs> เป็นต้นที่เป็นผู้ปราชญ์เป็นหลักๆแลหลวงพ่อก็เป็นรุต่างแล้วก็เป็นรุสิทธิลภูฟันที่เป็นต้นก็ต่อๆกันมาก็ถือว่า ยังโชคดีต่อไปที่จะรู้เห็นทันปฏิปทากวาจาังไม่มีใครจะมาเล่าได้มันจะเป็นเรื่องยากเมืม่อเราไม่ได้ก็เอาปริยัติมาว่าก็าตามที่เป็น เ, เป็นเหรียนกันอยู่ทุกวันก็เริ่มดีละนังๆเขาก็คือไม่แต่สมาธิก็ไมต้องทำกันแล้ว โดยสายปัญญาเลยเขาไม่ได้ยินกว่าอาจารย์รุ่นเก่าลาตันเทศอุปมาอุปไมยไหนเห็นภาพชัดเจนเลยสมมติว่าสมาธิไม่เอาสินไม่เอานะโดดคือปัญญาแลวถ้าเป็นต้นไม้ถ้าเป็นต้นไม้สินก็คือพื้นฐานรากรากของมัน สมาธิคือลกต้นถึงการสาขาปัญญาคือยอดคุณจะขึ้นต้นไม้คุณกระโดดขึ้นไปยอดเลยเป็นธรมนธรมชาติเางถ้าศิลไม่ดีนี่คือปัญหาที่เป็นปัญหาในวันพ่ออันนี้มันเน่ารากมันเน่ามันเสียแล้วต้นไม้ไม่จะเจริญเติบโตได้อย่าง มันโผูกมันเน่าไปแล้วโดยแต่คน้นหรือ้เวลามันค้นทันเองเหมือนพระสงฆ์ทุสินคือรากมันเน่าก็ไม่สมารธิเกิดเติบโตต่อไปได้ลำต้นก็คือสมาธิยี่ยงไม่ต้องมดถึงเลยไม่ต้องมดถึงปัญญาสือยอด มันจะเจริญไดงไงเมื่อบัญญาติไเจริญผลของไม้ต้นนั้นอ่ะมันจะเป็นยังไงถมามะเราออกผลมามันจะเป็นยังไงคนทั่วไปตอนนี้ก็คือถ้าเป็นเหมือนต้นไม้ก็คือเหมือนผลไม้ทั่วไปเลียงสีลำใจสมโอผล เราก็ปรารถนาแต่ผลของมันอยากเินผลแต่เราลืมเราลืมราก ต, ต้นกิ่งก้านสาขาองค์ประกอบที่จะพิดเดอออกผลมาได้มันใช้เวลาไม่ใช่วันสองวันแต่และองค์แต่และท่านมันไม่ได้เป็นวันสองวันอย่างครูอาจารย์เราบางคนเกิดทันสมัยพุทธกาลแต่ไม่ได้สนใจเห็นไหม ก็จะปลูกก่อจะเจริญสัทธาจากตอนเรื่องแล้วก่อนหน้านั้น่อนน้านั้นมันไม่ได้เป็นคนทุกพพทุกชาติสองพันกว่าปีหลังจากพุทธการมาท่านก็บอกว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นมนุษย์หรือเป็นคนทุกพพทุกชาติอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำไปิพิจารณาว่า เพราะนั้นพวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเราโมประมามัมเมาเนี่ยต่อไปคลื่อพนพลานหมดลมหายใจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้จิตมันจะไหลไปตามไหนไปตามโฟมตามชั้นตามพบพบก็คือภาพที่เกิดขึ้นภายในนั่นคือภาวะเมื่อก่อนที่เป็นชาติมันก็เป็นพบมืก่อน เป็นพบเสร็จก็เป็นทราบพบก็คือการมาพบรูปรพบอารูปะพบแสิ่งที่จิตเราจะไปพ้าจิตเราไม่เข้มแข็งไม่มีข้อมูลไม่มีพื้นฐานในการปฏิบัติบนสองผลทางวิธีชิดคือความคิดอุเชนจัด ก, การส ม, มาธิจิตเป็นความแรก ใน ม, มักมีองคแหววทนเนี่ก็คือความคิดพอพูมัก็จะไปอย่างนั้นรูปฌานก็นเช่นเดียวกันไปเกิดจากนี้่ติดคือรูปมือรูปมืหยาบนี้มันรูปหยาบก็คือดินน้ำไฟลมบูร์ังไงอยากจะเรียกว่าดินน้ำไฟลมมากกว่าถ้าบอกว่ารูปเราจะเข้าใจยากแต่ถ้าเราจะบอกว่า น, นั่นมันคือดินน้ำไฟลมมาแยกยากกันไปในตอนนี้ เราก็คิดได้เป็นธรรมะคิธรรมก็คือคิดถมันเป็นปัญญาไม่ได้เอาแค่สัญญามาใช้ตอนนั้นเรายืนก็าตามเดินก็าตามนั่งก็าตามถึงแม้จิตไม่สงบไม่เป็นไรแต่ขอให้เราใช้ปัญญาในการคิจคิดนาจิตมันจะจำํำก็เรียกว่าสอนจิตมันไม่ได้ปแปลวเราต้องสงบทุกครั้ง ครูบาอาจารย์ท่านนั่งนานแล้วเราก็ใช้การพิจารณาใช้เราพิจารณาแล้วมันก็จะต่อเนื่องเชื่อมโยงกันหมดมันไม่ได้แยกเหมือนร่างกายเราเรารู้ว่ามันเป็นดินเป็นน้ําเป็นใบกระดองจริงๆเขาก็อยู่ด้วยกั น, น ก, กายเวทนาจิตธรรมจริงๆแล้วมันก็ตัวเดียวกัน ต, ตัวเนี้ถ้าว่าตัวเดียวกันเลย เป็นตัวที่ทําให้เกิดความปรุงแต่งเรขาสังคตธรรมเป็นเหตุเป็นรูปอันนี้เป็นต้นเพราะะฉนั้นตัวสติจะเป็นตัวที่เราเราเลือกเลือนได้ว่าอันนี้เป็นเรื่องของรูปนี่เป็เรื่องของนามอันนี้เป็นเรื่องของรูปเรื่องของกลิ่นเรื่องของรสเรื่องของประมันจะได้วางมันจะได้ไม่ปรุงต่อ คือจะได้ไม่เกิดสังขารต่อถามันไม่ให้มันปรุงไม่ให้มันแต่งแล้วมันไม่ได้เป็นหน้าที่ของมันแต่ว่าปรุงแต่งแล้วต้องมีที่สิ้นสุดต้องรู้จักต้องมีจุดจบไม่ใช่ปรุงแล้วไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่จบเราฟง้างมันไม่มีที่ล ง, างการนักษาปฏิบัติของพวกเราคือขอับสติสติปฐานฐานของสติมันอยู่กับไหน อยู่กับกายอยู่กับเวทนาให้เราจับเวทนาเช่นสุขขเวทนาทุกขเวทนาอุาเปกกาตน า, า, น า, า, นามันเกิดขึ้นในกณะนั้นให้เรารู้คือสติ<ม>คือระลึกนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อนี่ยเป็นสุขานี่เป็นทุกขอนี่อุเป็นอุเปกขมันก็มีสามอารมณ์แค่นั้นแหละแต่ถ้าเราเป็นโมหะเกิดขึ้นมามันหลงมันไม่รู้มองก็ รวมต่อมันก็แต่งต่อมันไม่จบละท า, า้งทั้งทเป็นเรื่องเก่าเรื่องเดิมไม่มีอะไรเรื่องใหม่เหมือนหลวงปู่ตือเมื่อกี้นั่นบอกอยากอยากฟังใหม่ๆพอพอปไปเทศ ข, ขึ้นมาตั้งน้โมน้ำอาอมันไม่ใช่ของใหม่เนี่ยน้โมมีสมัยพุทธกาลแล้วนะแตวเราอยากได้ของหใหม่เนก็เช่นเดียวกัน เราพึงทาราบเป็นเส ม, มอว่ามันมันไม่มีอะไรใหม่มันเรื่องเก่าเรื่องอะไรแต่ว่าเรื่องไหนที่ผ่านการพิจเราพูดอย่างไรก็ผ่านการจิตมันรับรู้ได้รับการอบรมแล้วมีการเรียนรู้แล้วมีการเรียนด้วยมีการรู้ด้วยเไม่ว่าการเรียนรู้มันจะเข้าใจจิตมันจะเข้าใจ แล้วอจตมีการสิบสองเหมือนคนเราเขาเกิดมาได้ไม่ซึ่อศึกษาเลยเลยก็จะไม่รู้เลยก่อไก่ก่อไก่อดีซีหนึ่งสาสถามว่าตามเห็นไหเห็นถ้าถามว่ารู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจหัวใจวอกผมไม่รู้ไม่ไม่เข้าใจเห็นแต่ไม่เข้าใจเพราะนั่นคำว่าวิปัสสนาคือเห็นด้วย เข้าใจด้วยเห็นอะไรเห็นท่ า, าจีกันท่าของตัวเองนี่แหละคำว่เาเข้าใจใอะไรเข้าใจคือวางมันต้องวางได้เห็นแล้วต้องวางได้ไม่ใช่เห็นแล้วไปปรุงประแจงต่อเรับอย่งนนมันก็จะติดมันก็จะติดที่รูปถึงแม้รูปนั้นจะเป็นรูปละเอียดมันก็ชื่อว่าติดแต่ไม่รู้ตัวเองไม่รู้ว่ามันติดกับมันคล้อง คำว่าคองนี่แหละว่าสัตสต์ไม่ได้ไม่ได้มาเอามนุษย์เราอย่างเดียวเนาะจิตอยู่นี้ถ้ามันคล่องตัว่นี้กลามว่าเพราะเพ ร, ร, รเรียกว่าสัตตานะคือแปลว่าพวกคล่องอยู่ ค, คล่องอยู่ในจิตเลยแต่ตบัตเตอร์สงสารองค น, นี้ความเข้าใจมรู้อย่นันกันแล้วมันก็เบามันก็เข้าใจสภาะวะวือราสภาวะของจิต มันก็ได้แต่คนอื่นเกิดความสงสารคือความเมตตามีความสงสารเกิดขึ้นคือมีความปรารถนาดีอยากให้เขาเป็นผู้ดีเจ้าของเราเมตตากรุณามุตมิตาอุวเวขาสี่คำพระพุทธเจ้าใช้หมดอันนี้พวกเราก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่า เมตตาโทษของกันไม่มีเมตตาเป็นยังไงแล้วคุณของกันนี่เมตตาเป็นยังไงแล้วเราจะใช้เมตตายัางไงในเม่อตัวเราเองก็ไม่มีเมตตาเราจะเผยเมตตาอะไรได้ก็เราไม่มีเมตตาเนี่ยคำว่าเมตตาแต่เมตตาของพระเจ้านะั้นไม่มีที่สุดไม่มีประมาณคือไม่เลือก สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่เลือกเมตตาผู้เยาไม่เบาแต่เมตตาของเรามันยังเป็นเมตตาที่เป็นเฉพาะจจงคือเมตตาได้เฉพาะบางคนเมตตาได้เฉพาะบางเรื่องบางอย่างแต่ทั้งหมดไม่ได้นี่คือปัญหาของเราเปลือเป็นปัญหาใหญ่ของพวกเราเมตตาการุ่นน้าที่จะคิดสงสาร คนอื่นให้พ้นจาทุกความหมายให้พ้นจากทุกก็าทำตัวเองให้พ้นก่อนทำตัวเองให้เข้าใจเรื่องทุกก่อนจึงจะแบ่งเบาราระหรือว่าแนะนำคนอื่นในคำวการูนาเพื่อจะช่วยให้พ้นแกสิ่งเหล่านั้นคือปลดแก้สิ่งเหล่านั้นเหมนผูพุทธองค์พอไปโปรดในแตงตานามทุตาอันสาคัญนะ ที่เราใช้ว่าคอร์สอนุทนานะของแค่คำพูดให้ติดปากก็ยังดีเพรงนั้นมันจะเกิดอิจฉาตาลอนมันจะไม่เย็นดีคนอื่นก็ได้ดีกลายเป็นอิจฉาตาลอ น, นเทเจตอนุทนายินดีกับเราด้วยขอคอยบุญแค่นั้นก็เป็นบุญละแล้วปตานมุทนาใหม่บุญก็ได้ด้วยกันอนุทนา อันนี้คือง่ายๆแต่กนนระทาเมตตาอุปเปกขาตัวสุดท้ายผู้เมตตาก็ใช้แล้วการุณาก็ใช้แล้วโมทิเตเขาเสร็จยังไม่ได้ผลอยู่ตัวสุดท้ายก็คืออุปเปกขาคือว่าอารมณ์ว่าเราเต็มที่แล้วเราเมตตาเขาแล้ว เราการุณาเขาแล้วเรามู้ทีตาเขาแล้วเขาก็ยังเป็นเขาอยู่ไม่เปลี่ยนไม่แปลงไม่ปรับไม่ปรุงก็จะไปทุกข์ไปร้อนกับเขาคือว่านั่นเขาไม่ใช่เรา็นอุเบกขากาใจเป็นกลางไม่ใช่ว่าแม่ตาเขาแล้วเราหน้ามตาเขาแล้วข้าวก า, า, าออโโฮโฮยเป็นคอมโบโหเห็นมัยกายแต่ไม่พูดไปรู้เรื่องไม้พัดพูดไม่ฟังสอนไม่จํอาอ้นะ่ะ อันนี้ผิดละผิดหลักก็เขาเวทขาให้คือวางอารมณ์เป็นการถ้าเราวางไม่ได้มันอันตรายมันอันตรายก็ตัวตัวนี้ตัวที่เราทำให้ออกไปไกลไปไกลกว่า น, นี้หมายถึงว่าในทางปฏิบัติถ้าเราวางไม่ได้ทุกเรื่องถ้าเราวางไม่ได้แม้แต่ดินปิดที่เราเห็นอยู่จะเป็นของเรา แารไดเห็นันเป็นเป็นรูปก็ตามเป็นเสียงก็ตามเป็นกลิ่นก็ตามที่เป็นนิ้นิดเราวางไม่ได้เนี่ยปัญหาใหญ่เลยเพราะวางไม่ได้แลมันก็ติดมันก็คล่องมันก็ไปไหนไม่ได้แม้แต่ความสงบความสงบเราก็วางไม่ได้ อ, อันนั้นคือปัญหาของนักปฏิบัติทางไรเลยโดยเฉพาะยามคืน ตัวที่เป็นอุปเลยะสมาธิกับอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิถามว่าจําเป็นไหมต้องมีไหมบางเรื่องบางอย่างบางอย่างบางวันบางเหต ก, การณ์มันจําเป็นต้องมีการวางอารมณ์เรียกว่าใ่มันพักใจมันมีกำลังอัปปนาสมาธิทําให้จิตมันมีพลัง เมื่อกําลังส่วนอุปจรารสมาธินั้นทําให้เราพิจารณาแล้วเราไม่เราเกิดปัญญาอัปปนาสมาธินั้นไม่เกิดปัญญาใดๆเหมือนคนนอนหลับแต่ว่าคนนอนหลับมันไม่มีสติอเองแต่ในขณะที่เป็นอัปปนาสมาธินั้นอย่างเช่นตอนนี้แสงสว่างก็ดีฝนตกฟ้าร้องข้างนอกนีดีมันไม่ออกมารับรู้ข้างนอก นี่คือเป็นที่มาว่าทําไมแต่มันไม่เกิดปัญญาในขณะนั้นปัญญาไม่เกิดแต่มันได้พักจิตมันแข็งแรงเข้มแข็งมีพลังแล้ถอนออกมาในขณะอุปจาระสัมผัพิจารณาต่ออย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาเพราะว่าเราแช่กําลังเยอะแช่พลังเยอะจิตมันก็อ่อนปัญญามันก็อ่อนมันแสงสว่างมันก็รีลงรีลงเพิ่มเพิมแสงสว่าง เพิ่มปัญญาตัวอุปจาระสมาธิเพราะนั้นอัปนาสมาธิจึงเป็นที่พักโดยเฉพาะคุณเชิดคนที่บุกชาญจะเข้าใจว่าอัปนาสมาธิแต่ก็ถ้าจิตอยู่ในอัปนามันก็มันก็ไปไกลอยู่แต่มันก็ไม่ได้ไปไหนเพราะมันสามันถอนออกมาบทเสื้ออาจจะนานหน่อยสามสิโมงสิแ่แก้ล พอเอามาเดี๋ยวพอเอามามันรู้สึกข้งงอกเนี่ยสัมปชานุในการรู้พร้อมสติอากอรระลึกรขึ้นมาได้สัมปชานุการรู้ตัวคือรู้ทั้งตัวพู้งดงงเพราะนั้นวาจานี่ว่าเวลากําหนดเรลมได้กำหนดคุมทั้งตัวอารมณ์เช่นหายใจเข้าหายใจออกทั้งต่หัวตั้งปลายจมูกที่สะจนจะกระดปลายเท้ากําหนดทีเดียวนะ พอลมหายใจแค่เดียวแต่มันต้องไปกลิ่นไม่ต้องไปเพง่งไม่ต้องไปกังวลทําให้มันเป็นธรรมชาติคือหาย ใ, ใจเข้าหายจออกธรรมดาแค่เดียวแป๊เดียวนะ่ะให้กําหนดรู้อย่างเนี้ยกําหนดรู้อันเนี้ยเรืลมหายใจคืออส า, า, าสาขาปัสสาวะอะไรเงี้ยกำหนดรู้ลมหายใจยบ่อยจนจิตมันเบาจนไม่เหมือนไม่มีความรู้สึกอะไรเลย ก็ปล่อยมันไปไม่จะเป็นธรรมชาติของมันวันหลังเราจะบังคับอห้มันละอืยดมันก็ไม่เปก่งถ้าเราบังคับแต่เราไปไปจับไปจ้องมันไม่เป็นเพราะจิตมันเป็นธรรมชาติอมันจะเป็นมันเป็นของมันมันจะออกมันก็ออกอหมันพอถึงกำลังก็ออกเหมนแต่ถ้าคนที่ชํานาญแทกําหนดใช้คำว่ากําหนดกําหนดลมหายใจกระทอนออกมาอุปจารสมาธ มันก็จะรับรู้เสียงข้างนอกบนตอนนี้ถ้าเป็นอัปปนาสมาธิมันจะไม่รับรู้อะไรเลยฝนตกร้อนแดดออกแต่ว่าร่างกายมันก็ปกติมันมีร้อนอ่อนแข็งเหงื่อน้ําปกติร่างกายมันทําหน้าที่ของมันปกติแต่ว่าไม่รับรู้มันออกไม่ออกมารับรู้ข้างนอกพราะนั้นคราอาจารย์ท่านใช้อันนี้เวลา เจ็บไข้ไม่สบายป่วยผ่าตัดยังก็ให้หมอก็จัดการกันไปแค่กำหนดนี้หมอเขาก็เชื็ดเฉือนกันไปร่งรางกายธาตุสี่ธาห้าปวเจ็บถอนเ อ, อกมามันก็มีความเจ็บปวดมันรับรู้คือเวทนาเนองแตาว่าเจ็บปวดคือสุขาทุกขะเฉยเฉยมันก็มารับรู้ข้างนอกเหมือนเดิมตรงนี้ตัวกรรม แล้วเราจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างอัปปนาสมาธิกับอุปจรารสมาธิมันแตกต่างกันยังไงประโยชน์ของมันเป็นอย่างไรทําให้ชํนานาญท่านอะาจารย์กำหนดเถ้าธรรมและความอยากทำให้คนชำนาญกว่าครับว่าหายใจเข้า อ, ออกก็คือจะกําหนดนั้นเป็นอัปปนาสมาธิหรืออุปจรารสมาธิก็ได้แค่กําหนดลมหายใจเข้าออกเพราะผู้สังเกตลม หายใจให้ารมณ์มันหายหรือตัใจหรือตัวความรู้สึกความสุขอันนั้นหรือความรู้สึกอันนั้นดับไปเลยดับไปเลยดับก็กจะอะไรเกิดจากการเพ่งเพ่งนะั่นแหละคือคำว่าฌานฌานนี่แปลว่าการเพ่งหรืออุปเปกขาอุเบกขาคือการเพ่งอยู่ในอารมณ์อะไรจนเกิดอุปเปกขาคือมันวาง คำว่าเอาไปขามไม่ได้วางวางได้ทั้งหมดก็มันแพ่งแต่ละมันก็อยู่กับอารมณ์แต่หนึ่งเหมือนว่างๆเราจริงเรียกว่าสุญญต่างมันเหมือนกับมันมันว่างมันไม่มีอะไรแม้ได้กิเลสไปเองที่เรามันไม่มีกิเลสในขณะนั้นะกิเลสคือเครื่องสมองมันก็ไม่ปรากฏในขณะนั้นมันเสื่มมาสุขะสบายมันก็ติดอยู่ละติดสุขานั่นแหละ คิดอุปการนั่แหละมันมันวางไม่ได้ะมะัละเอียดมันละเอียดถอนขึ้นมาโอมมันถอนขึ้นมาอยู่งนี้ให้มันรับรู้อย่างนี้มันถึงจะอยู่ได้เพราะฉะนั้นพบอื่นอุปมาอุปไมยเหมือนกับอัปปนาสมาธิเข้าไปเสวยพักแทรกว่าเว ย, เวะะเวยอารมณ์ แต่ขณะที่เขามีไม่มีขันห้าครบอย่างเรามีแค่ขันสีเหมือนเราฝันมีแค่ขันสือมันมีรูปเหมือนกันแต่รูปนั้นมันทำอะไรไม่ได้มันไม่เหมือนรูปที่เป็นข้าีึกันห้าที่เรามีอยู่มันไม่มีสติสัรยญาควบคุมมันก็จินตนาการปรุงกัไปเลือกอะไรขึ้นมามันก็ภาพออกมาเลือกอะไรขึ้นมาทีภาพนั้นก็จะปรากฏออกมา อย่างนี้เหมือนเราฝันนั่นแหละซึ่งเคยหนึ่งฝันกี่เรื่องกันไปแล้วจริงๆแล้วในขณะที่เราลืมตาหรือกลางวันมันก็คือฝันนั่นเองฝันคือสิ่งที่เรามะโนคือใจมันนึกขึ้นมาแต่เพื่อเอว่าเวลาตอนเํานิร์กเราสติเราไม่มีสติเราจับเราไม่น้อยเพราะฉะนั้นการภาวนาคือต้องการฝึกให้เรามีสติกำกับไห้รู้ว่านี่คือ คืออุปจารสมาธิอัปนาสมาธิทันิกาสมาธิกันสงบชั่วครางชุกวพาวโดยไม่มิสติเกณนกันเี๋วอ่านเช่นนั่งและสะประกอแต่ทนนันทีเดียวเองแต่ว่าตื่นขึ้นมามันสบายจิตมันได้พักนั่นคือจิตมันได้พักพักอึดเดียวไม่ถึงสามนาทีห้านาทีเหมือนกับคนนอนหลับนะี่คือสิ่งที่คบาอาจารย์ ท่ทำได้ว่าทําไมทั้งวันทั้งคืนทําไมครูาอาจารย์รุ่นเขารุนแกทําไมท่านอยู่ได้ทําไมสี่ทุ่มห้าทุ่มปวดจะหลับจะนอนทําไมตีสามท่านตื่นขึ้นมาได้โดยปกติทําจนสิ้นทำจนเป็ น, จ น, จนเรื่องธรรมดาถ้าเราคนทั่วไปแล้วท่านอนไม่พอเด็ก ว, ว, วุ่งเหงาห่าวนอนเพราะมันพักไม่พอแต่ถ้าพักให้พอแล้วมันอิ่มก็ เ, เรียกว่าอิ่ม ถ้าคนนอนหลับแล้วนอนอิ่มแต่คนทั่วๆไปนั่นก็แค่วันน้เนมืเ่อนที่เรียกว่านอนอิ่มตื่นขึ้นมาก็วราตื่นเราต่นจะรู้ตัวเรานอนไม่รู้ตัวคือไม่มีสติหรือต่างกับสมาธิสมา ธ, มา ธ, มา ธ, มาธิเราจะรู้ตัวจะรู้ตัวมากจะรู้ตัวน้อยหรือเป็นอัปนานไม่รู้เลยคือเดีพยวถ้าเราถอนออกมามันก็จะเห็นเงินฝนตกกระรองพระน้นาพ จิตเราเป็นอัปนาสมาธิตอนนี้พดตกพะ ร, ร้องไม่รู้เรื่องมืดสว่างไม่รู้เรื่องเลยอถ้าจิตวันท้อนออกมาเพิ่มนะโอ้ตอนี้มันก็จะปรากฏเย็นดอนอ่อนแข็งปวดแข้งปวดขามันก็จะตามมานะ่ะแเราบรูโอ้เวทนานอยู่ตรงนี้ที่เองอัปนาสมาธิแล้วมันไม่มีอะไรแต่ทางที่มันปวดแข้งปวดขานั่งสามสี่ชั่วโมงห้าจงคอรู้สึกปวดแข้งมันไม่หนี เพราะว่าอะไรเพราะควารู้สึกควางคิดไม่ไปอยู่ที่คบเจ็บปวดมันไม่มาอยู่ที่ควเจ็บปวดอ่ะ ม, มันสงบมันสะท้อนออกมาเนาะปัญญามันก็จะเกิดมันจะเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็แปลว่าอเรื่องกายเป็นอย่างนี้เรื่องใจเรื่องจิตเป็นอย่างนี้ก า, า, ายก็ทางานอย่างนี้ เจ็ดเขาทํางานอย่างนี้มันจะมีกําลังใจกับตัวเองว่าเข้าใจหลักการไปงทีกางอ๋อมเป็นอย่างนี้นี่เองมั น, นก็จะมีกําลังใจในการปฏิบัติแล้วก็ทําให้เป็นชํานานเรียกว่าสีแล้วมันก็ต้องต่อนเนื่องด้วยนะอย่าไปโทษวัสนาบาลีว่าโอ้เราวาสนามันน้อยทํามาน้อยใ ม, ม่เหมือนคนอื่นเขาไม่บ น, นเอขอไม่กลัวอาจารย์โอ้อย่าไป ทำได้ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้มัวแต่โทษวาสนาบาลีเมื่อไหร่มันจะเต็มเมื่อไหร่บารมีเราจะมีมันไม่มีอย่างน้อยก็คือคัมภีรีบารลีสัจจะบารมีอธิษฐานบารลีมันต้องมีศีล บ, บาลีมันต้องมีเพราะฉะนั้นชื่อว่าถ้าเราปฏิบัติชื่อว่าเรามาสร้างบางมีพ่อใดก็หนึ่งโดยที่เอาอาจจะไม่เข้าใจ อาจจังรู้ตัวพราะเราไม่เข้าใจเรื่องปริยัติแต่มันเป็นอัตรโรมัติในขณะทีนน่เราปฏิบัติสินง ท, ทั้งคือนกิศลบาลานีมีความอดทนอดกั้นต่อเนื่องนั่นคือขันติวิริยะหรือความเพียรอยากตั้งใจที่ยะอธิษฐานถ้าเราตั้งใจจะ ป, ปฏิบัติบวนพระนี้การเลี้งอธิษฐานมารมี เป็นการสอ้งบาลานีซึ่งวุฒยาของเราครบที่ผู้พูดามาทั้งหมดครบหมดทั้งขั้นยาบขั้นกลางขั้นละเอียดที่เราท่องท่ากันบาลามีสาสิทัสริงมันก็มีแค่สิบกันแะแต่ว่าเพิ่มทั่วไปก็เรียกว่าพวกง่ายขัวนยาบขั้นกลางอุปะหรือปรัฒภะขั้นยิ่งขึ้นหรือขั้นละเอียด ตะบันมีทั้งสามกระเช่าเราบำเพ็ญบารมีเพราะฉะนั้นที่เราทำํำทำอยู่จนจะคิดมันไม่ได้มันได้เราคิดให้มันตัวเองมีกำลังใจอย่าไปทำลายตัวเองไม่มีอะไรทําไปทําลายตัวเองนังจากทําลายไม่ไป ท, าทําลายคนอื่น ค, คิดทำลายคนนั้นทําลายคนนี้มันไั้งที่อะไรทํามจิตอ่ะ มันคิดไน่ดีดึงกลับมาการภาวนาดึงกลับมาตัวเองอย่าไปทำลายคนอื่นอย่าไปทํำลายตัวเองโดยความคิดให้เป็นสัมมาคิดคือคือจิตเป็นสัมมาคิดอะไรก็ทำมันชอบประกอบด้วยธรรมหรือให้เป็นธรรมเป็นวินัยวินัยมันเป็นในตัวอยู่แล้ววินัยตาพระแล้วทำอย่างนี้มก็จะไปห่วงเรืดด่องวินัยเลย ถ้าเราอยู่อย่างนี้อยู่ในอารมณ์อย่างนี้เราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสินถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่จําเป็นกังวลเรื่องศินใดๆเลยมันจะตัดปริภูโทษดูความกังวลออกน ะ, ะมันเป็นศินโดยแท้ปฏิบัติทันทีสมมติวันนี้มือเช้าเราไม่ได้มาไม่ได้ขอกับพระมันก็เป็นสินทีพ่พระปฏิบัติทันทีมันไม่ได้นับอดสิหาสินแปดสินสิบสิน้อยี่สิบ ไม่ได้นับเป็นพ้อๆ อ, อ น, นั้นเป็นสีขาบทมันม่ได้เกี่ยวอะไรกับสินสินที่จิงเพื่ อ, ะอนะเพรตฉะนั้นเราก็ต้องไปตรความบนว่ารเต็นมากเต็ม น, น้อยนั่งมาไหนก็เป็นศินทันทีเมื่อสินเกิดขึ้นสินและมีสินละพรมนั่นก็แปลว่าเราของเราสมบูรณ์พร้อมที่จะบำรุงลําต้นลําตัวคือสมาธิคือจิตตรงกลาง เมื่อจิตมันดีลำตัวมันดีมันส่งผลถึงสมองสือสัมก็คือตาหูจมูกวิธีคิดเพื่อเกิดปัญญาแม่เกิดปัญญ า, ญญาส่วนหัวเรานะ่ะคือยอดของต้นไม้มันก็จะสูงขึน้นคือมันเจริญขึ้นปัญญามันเจริญมันเห็นดูเห็นชั่วเห็นชอบอะไรที่เป็นชอบประกอบไปทําปัญญาก็เจริญขึ้นแทงขึ้นแทงขึ้น อันนี้คือคือพื้นของหลังกจะเป็บว่าทั้งสามอย่างเนี่ยมันแยกกันไม่ได้มันจะเปรียบว่าอันนี้คือรากนะเราก็ไปตัดรากมันออกลําต้นมันก็ไปเอามไม่ได้อันนี้คือลําต้นโดยไม่ตั้งสารรากรา ก, ก็ไม่ได้ยอดเราก็ไปเด็ดมันคือไม่เอาไม่อยากมันแพง่เกิดัญิเพราะไม่ได้ทุกอย่างมันเป็นเขาเรียกว่ามรรคสมาธิคือมรรคกคือสินสมาธิติปัญญา บรรเจิร์นก็เรียกว่าอาริยมรรคกายะกันตะมรรคถ้าเป็นโซดาขึ้นไปแล้วก็เรียอริยกันตะมรรคถ้าเป็นสิลก็เป็นอริยกันตะสินสินก็พระอริยคือโสดาขึ้นไปไม่ใช่สินธรรมดาอย่างเราและมันจะเป็นสินที่มั่นคงมันคงในตันึงคือมั่นคงในพระรัตนตรัยไม่เข้าใจคำว่ามันคง มันจะไม่สามารถที่ละเมิดก้าล่วงสิ่งเหล่านี้ได้นั่นกนมหมายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นพื้นฐานความคิดทำให้เราได้มีจิตได้มีกำลังมีพลังในการปฏิบัติมากมากขึ้นเพราะนั้นภาษาการนี้ก็ให้พวกเราทุกคนใช้ความเพียรแล้วความต่อเนื่องสำคัญกันต่อเนื่องมันกินไม่ต่อเนื่องไม่ได้่มันกินข้าว กินแล้วก็หยุดไม่กินต่อแล้วก็ไม่กินอย่างอื่นกินแต่ข้าวเกลือกับแปยย้งเดียวมันไม่ได้มันมีองค์ประกอบอีกที่ทําให้เราเจริญคือสติเราเจริญขึ้นมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันมีองค์ประกอบในกระบวนการมันเยอะถ้าจะเจ็ดที่นาเรื่องกายอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่เอามันก็ไม่มีความเจริญมันบางในดาวคือวางกายเมื่อเราคำแปลคาว่ากายนั้นก็ เมื่อพูดถึงเขาไก่ปุ๊บอะไยนั่นถึงดินน้ำไฟลมตันงถึงฮะมันคือดินมันเหมือนตอนนี้มันคือน้ำเหมือนตกตอนมันคือลมมามาเพราะของลมมันคือไฟแนียคือดินน้ําไฟลมวันหนึ่งมันก็จะเป็นอยู่เขาเราก็จะกลับเราน่ยตอนนี้จิตหลังฐานอ่ะมันก็จะกลับไปตามธรรมชาติของเราหรือที่จิตในที่ไม่ไปธรรมชาติอางนี้ถ้ามันจะไปไหนต่อ ก็เลยจะทาสีเลยจะขันสีแต่มันไปต่ออยู่แต่มันยังยึดรูปอยู่มันจะอาศัยรูปนี้อยู่แต่ว่าดวงกลางขานตอนนี้มันดับพอดับไปแล้วมันไม่ต่อเนื่องละจะเวนพระอริยะเท่านั้นที่สตินั้นต่อเนื่องแต่ผุุ้ชนคนทั่วไปมันไม่ต่อเนื่องเมื่อออกจากร่างเสร็จก็หมดเพื่อม่นจะมากลับเข้ามาสู่ร่างได้ พอ เ, เรานอนหลับในตลาที่นอนหลับมีลมหายใจเป็นตัวเชื่อม่อรักษาดื่มน้ําไฟลมไว้อยู่ถ้ามันคงชื่อมันคงเดิมเมื่อลมไม่ประสานกมันไม่เข้าไม่ออกแล้วจิตมันก็อยู่ไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้คือไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ในร่างอันนี้ได้ก็มันก็ออกข้างนอกนอก็เหลือแต่เวทนา จินานต่างการเรจินอย่า ง, างนั้นมันก็ไปอีกพบพบหนึ่พบก็คือภาพไปอีกภาพตัดปฏิภาพภาพนี้มันก็จะไปต่ออันนั้นไปต่ออะตามความคิดการพูดการกระทำการคิดก็คือคิดอะไรขึอน่างก็กเป็นภาพเป็นพบไปต่อภาพพบหรือรูปนั้นมันจะคลองอยู่ในรูปมันคข้าอยู่ในกามันก็กลับมาที่การแต่พื้นฐานเราดู พื้นฐานคำว่าพื้นานในเต็มต้องเป็นเรื่องของศีลมันไม่ได้เกี่ยวกับอื่นพื้นฐานได้มาถึงศีลแต่พื้นฐานเราดูคือศีลเราต่อเนื่องศีลเรามากข้อมันก็จะอย่างน้อยก็ไม่ได้กลับมาเป็นคนเป็นมนุษย์เผื่อบําเพ็ญต่อในขณะ ด, ด้วยการถ้าศีลเราไม่ครอบศีลเราไม่พร้อมเป็นละเมิด มันก็เป็นอย่างอื่นผลครูบาอาจารย์เราเช่นเราปู่ชอบเป็นต้นไม่ได้เป็นมนุษย์มาตลอดนั่นคือประวัติของครูบาอาจารย์เราเป็นประจังเป็นพยานุเวหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราพอจะตัดสรู้เป็นครูบาจาจารย์ไม่น่าจะขนทุกภพทุกชาติไม่ได้บอกบางทีก็เป็นสัตว์โดยสารแต่จะเป็นสัตว์สารแต่ก็เป็นเป็นผู้นํา เป็นหน้าเป็นอาจารย์ผงเป็นหน้าโคงไม่ได้เป็นลูกน้องแต่ว่าเป็นพระอารย์ผู้ทีเจ้ายังไม่เหลือแล้วแล้วเราอะจิตของเราจะเป็นยังไงเนี่ยก็สอนมันอย่างนี้มั่งมันคู่มันมั่งเราเป็นใครเองเป็นใครจิตเปประมาทเผลอเรืออยู่อย่างไม่เชื่อไม่ฟังผู้ทีเจ้าประทานประสงค์ ประเช้าเป็นผู้ประมาณนะพผูเจ้าบอกเธอเป็นผู้ประมาณะในวัยในชีวิตในเวลาในฐานะผู้เป็นคนเป็นมนุษย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่วนเรื่องอื่นไมนต้องไปไปรายถนามันเดินพบภูมิอื่นที่อืนเทวดาก็เดินจิงมันจะไหลไปตามภูมินั้นๆประดับสภาวะต่างสภาพอันนั้นจึงไม่ปรายถนามันก็เป็นมันอกินข้าวอยากอื่นมันก็อืม่ม มันเป็นอัตโนมัติของมันหากินข้าวแล้ไม่อยากอื่นไม่อยากอืมพูดได้แต่โดยความจริงมันไม่ได้สภาวะมันเหมือนกันทําดีก็เนการ i, Dragon, นนนทําชั่วก็เหมือนกันสภาวะมันเป็นอย่างนั้นแนะพระฝ่าว่าเราพรรษาการนี้นจะให้เราอย่างน้อยที่สก็ถ้าเราใจเราไม่เส้มแข็งโดยวิธีใดก็ตามโดย กับภาวะโดยสถานการณ์ใดก็ตามให้นึกเป็นครูบาอาจารย์บุญต้ น, อ น, นของเนื่องสิ่งคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อคุณของพระธรรมเมื่อคุณของพระอริยสงฆ์เป็นหลักอเราก็จะเป็นสิ่งดีๆเป็นที่เกาะเอาไว้อถ้าไปยึดซึ่งเหล่านี้มันไปไหนก็ไม่รู้มันอยู่กับความโลภอยู่ความโกรธอยู่ความหลงนะเนี๋วยวภาคบ่าเช้าทีเจ้าจะว่าเราพูดว่าโกรธก็คือไฟอภัยสืน ทำมาโกรธเมื่อไหร่ไฟเผาตัวเองโหคนอื่นนจึงที่ดับไฟได้ก็คือน้ําน้ําคืออะไรอาภัยถ้าไม่มีการอาภัยน้ําใจของเราก็ไม่มีไม่มีให้ใครทั้งนั้นอะเมื่อไม่มีนม้ําเจ้าอะไรมาดับไฟ ต, ต้องให้มันครบเพราะนั้นอย่าลืมว่าเมื่อโกรหรือว่า ความไม่พอใจอะไรอารมณ์ไม่พใจอะจะลืมว่าให้อาภัยในงั้นมันจะกาศเป็นไฟโดยไม่มีน้ําดับคนตอนนี้ตอนนี้น้ำเก็ดขึ้นเพื่อดับพอน้ํากิดขึ้นมันก็จะเย็นช้ำถาเรามีการให้อาภัยเอาปาก เ, เราหราือภาษาการนี้สองคำทัองเอาไว้โกรธเป็นไฟอาภัยเป็นน้ําำออนุโมทนาก่อนดีขอเราทุกคน นนพันธนิวเปิดเสริมเสริมบันธุให้มากขึ้นมากขึ้นเพาขออนุโมทนาง